ปัญหาองค์เนี่ยเป็นพืชที่รู้รอบรอบรู้รู้แม้กระทั่งอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะปัญที่ไม่รู้เนี่ยไม่มีแล้วก็ประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะที่พระองค์รู้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนเนี่ยนะประโยชน์ผู้อื่นคําว่าประโยชน์ปรัชโตเนี่ยนะประโยชน์ผู้อื่นคือประโยชน์ในโลกสามหรือว่าประโยชน์ทั้งสองนะทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่น ประโยชน์ในโลกนี้ก็คือประโยชน์ในทิฏฐธรรมประโยชน์โลกหน้าเรียกว่าสำปรายภพประโยชน์ตื้นก็คือดำรงได้ตามสะดวกประโยชน์ที่พึงล่วงเลยโวหารเสียเป็นประโยชน์ที่ปฏิสังยุตด้วยสุญญตาชื่อว่าประโยชน์ลึกเพราะดำรงไว้ได้ยากได้แก่โลกุตระประโยชน์ประโยชน์ลึกก็คือประโยชน์ที่การแทงตลอดอริยสักเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ที่ลึกมากส่วนประโยชน์ลี้ลับเนี่ยนะเพราะเห็นได้แต่ภายนอกล่วงส่วน เชื่อว่าประโยชน์ปกปิดเพราะว่าปกปิดไว้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นและด้วยเมฆคือโมหะอัน น, นัคือประโยชน์ปกปิดเนี่ยนะเช่นการบารรลุอริยสัจเนี่ยนะโมหะมันปิดให้ให้ไม่เห็นว่าไม่เที่ยงอันนะัเพราะอวิชชาเนี่ยมันตกปิดไว้ประโยชน์ที่พึงกล่าวด้วยโวหารว่าไม่เจริญชื่อว่าประโยชน์ที่ควรแนะนําเพราะไม่ถือเอาประโยชน์ตามที่กล่าวแล้วแนะนําถึงความประสงค์ เรียว่าประโยชน์ที่ควรแนะนําแปลว่าชี้แจงนะนะต้องอธิบายอีกอ่ะเรียกว่าประโยชน์ที่ควรแนะนําก็ต้องชี้แจงต้องขยายต้องอธิบายเพิ่มอ่ะเช่นคําว่าสัตว์บุคคลเราเขาตัวตนเนี่ยพวกนี้เป็นศัพท์ที่จะต้องอธิบายทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรียกว่าประโยชน์ที่ควรแนะนําคือขยายเพิ่มเติมส่วนประโยชน์ที่พึงกล่าวด้วยโวหารว่าจเจริญชื่อว่าประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนําแล้วเพราะแนะนําถึงความประสงค์ด้วยศัพท์ว่าคํานี้เท่านั้น เช่นว่าประโยชน์ของศีลสมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ดีนี้ชื่อว่าประโยชน์ที่ไม่มีโทษนะประโยชน์ที่ไม่มีโทษก็คือศีลสมาธิวิปัสนาที่บริสุทธิ์ถูกต้องเนี่ยนะอันนี้ไม่มีโทษจริงๆเพราะเว้นจากโทษด้วยสา ม, มารถแห่งแต่ทางข้าประหารและวิขำพนะประหารศีลวิปัสนาเนี่ยนะเป็นต่ทางข้าประหารสมาธิเป็นวิขมพนะประหาร ประโยชน์ของอริยมรรคชื่อว่าประโยชน์ที่ปราศจากกิเลสเพราะตัดกิเลสได้เด็ดขาดประโยชน์ของอริยผลชื่อว่าประโยชน์ผ่องแผ้วเพราะกิเลสสงบระงับพระนิพพานนี้ชื่อว่าประโยชน์อย่างยิ่งเพราะเป็นธรรมะอันเลิศในบรรดาสังฆตาธรรมทั้งหลายเนี่ยนะและอสังฆตาธรรมเนี่ยนิพพานเนี่ยเลิศสูงสุดประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารู้หมดไม่มีเหลือ อันนี้เป็นวิสัยของอเป็นวิสัยในพระยานของพระพุทธเจ้านี่นะบทว่ายานุปริวตัติความว่าย่อมเป็นไปตามพระยานอธิบายว่าย่อมไม่เว้นจากพระยานพระเทระแสดงความปราศจากความขัดข้องด้วยว่าอัปปติหตังคือพระยานของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขัดขอ้องทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะพระเทระประสงค์จะแสะดงความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ให้สําเร็จด้วยอุปมาจึงกล่าวว่า อ น, นยาวะตะกังเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นชื่อว่าบทที่ควรแนะนำพราะอรราว่าควรรู้ที่ชื่อว่าพระยานมีส่วนสุดแห่งบทธรรมที่ควรรู้ <c oughs> คือที่ควรแนะนำเนี่ยพราะอรราว่าพระยานนั้น่ะมีส่วนสุดรอบแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำคือที่สุดแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ที่สุดแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำนั่นเลยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ใช่สัพพันยูแม้ในบทธรรมที่ควรแนะนา ที่มีส่วนสุดรอบแห่งพยานก็มีในนี้เหมือนกันอันนี้นี่หมายถึงว่าพระองค์นี้สิ่งที่จะควรแนะนำสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตถุทุกมีปริมาณเท่าใดเนี่ยนะพระองค์เนี่ยรู้หมดเนี่ยนะบทว่าอัญญมัญญะปริยันตัฏฐานิโนนิโยบทว่าอัญญมัญญะปริยันตัฏฐานิยิโนความว่ามีปกติตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันโดยซึมทราบทั้งบทธรรม ที่ควรแนะนำและพยานเนี่ยนะก็คือก็บอกว่าอารมณ์ที่ควรรู้มีเท่าใดพยานของพระองค์ก็มีปริมาณเท่านั้นอาวัชนะปฏิพัทธาความว่าอาศัยความนึกทางมโนทวารอธิบายว่าย่อมรู้โดยลำดับในความนึกนั่นเองคือพยานเนี่ยเกิดในชวนะเนี่ยนะพยานนี่เกิดในชาวนะอันชาวนะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยมโนทวาราวัชนะมโนทวาราวัชนะคือการนึก ถ้าพระ อ, องคนึกอะไรก็รู้อันนั้นหมดเนยนะรอบรู้โดยกว้างขวางอากังขะปฏิพัทธาความว่าอาศัยความชอบใจอธิบายว่าย่อมรู้ด้วยชวาวณญาณในลำดับแห่งความนึกเนี่ยนะบทว่าอาสยะนี่ทว่าอาสยะ อ, อัธยาศัยของสัตว์อ่ะนะอัธยาสัยนี้ก็เป็นชื่อของสันดานนั่นแหละสันดานของสัตว์ที่เจริญอะไรมาเช่นว่าบางพวกก็เป็นมิจฉาทิฐิบางพวกก็เป็นสัมมาทิฐิ บางพวกก็มากไปด้วยกามวิตกบางพวกก็เป็นเนคขมมะวิตกบางพวกพยาบาทบางพวกไม่พยาบาทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอาศัยนี้ก็คือที่พักพิงคืออาศัยของสัตว์นั้นคือคือเจริตนิสัยอัธยาศัยของสัตว์เนี่ยนะบางพวกก็เป็นสัมมาทิฏฐิบางพวกก็มิจฉาทิฏฐิบางพวกก็อกุศลวิตกบางพวกก็กุศลวิตกนะ พูดแบบทไทยๆก็คือสันดานนั่นเองนะว่าสันดานเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงจริตเขาเป็นยังไงเชื่อว่าอนุสัยพระธรรมวณนอนเนื่องคือเป็นไปตามสันดานของสัตว์อันนี้เป็นชื่อของกิเลสมีการมาราคะเป็นต้นที่มีกําลังเหมือนกับที่เคยกล่าวไปแล้วบทว่าจริญเจริตของสัตว์ก็คือกุศ ล, ลกรรมที่ทําไว้ในก่อนนันะก็คือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเนี่ยนะเขาทํากรรมอะไรมาก่อน ส่วนอธิมุตก็คือการสละจิตในกุศลก็ตามอกุศลก็ตามคือเขาน้อมใจไปไหนมากอ่ะบางคนนี่น้อมใจไปในกุศลนะบางคนก็น้อมใจไปในอกุศลอันนั้นเรียกว่าอธิมุตของสัตว์ส่วนอัประชะเคความว่าชื่อว่าทุลีอันนะผู้มีทุลีคือกิเลสน้อยในจักสุเพราะทว่ากิเลสมีราคาเป็นต้นในจักสุที่สําเร็จด้วยปัญญาเนี่ยน้อยหรือที่ชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสน้อยจักสุก็คือ ผู้มีราคะน้อยเป็นต้นนะก็คือคนมีกิเลสน้อยนะราคาก็เกิดน้อยอะ่ะเรียกว่ายั่วก็ราค่าไม่เกิดยั่วให้เกิดโทสะก็โทสะไม่เกิดนี่เรียกว่าคนมีทุลีในจักรสุน้อยส่วนมหาระชัชเขเนี่ยความว่าเชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสมากในยานจักรสุคือมีราคะมากอะนะ เดี๋ยวก็ราคะเกิดเดี๋ยวก็โทสะเดี๋ยวก็โมหะเดี๋ยวก็ราคะโทสะโมหะนี่เรียกว่ากิเลสเกิดมากอะกิเลสเกิดบ่อยนั่นเองส่วนผู้มีอินทรีย์กล้าอินทรีย์อ่อนก็คือมีศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กลา้าเรียกว่าอินทรีย์กล้าถ้าขาดศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่ามีอินทรีย์อ่อนพวกที่มีอาการดีก็คือพวกมีศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่ามีอาการดีส่วนพวกที่ไม่มีศรัท ธ, ธาสธิริโอตปะ เป็นต้นเนี่ยนะพวกที่ไม่มีศรัทธาพวกไม่เกียรติคร้านพวกที่หลงลืมสติพวกฟุง้งซ่านพวกไม่มีปัญญาพวกนี้เรียกว่ามีอาการเลวส่วนพวกที่สอนให้รู้ง่ายให้รู้ยากก็คือสัตว์เหล่าใดกำหนดรู้เหตุการณ์ที่กล่าวแล้วเรียกว่าอาจให้รู้แจ้งได้ง่ายสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าให้รู้แจ้งได้ง่ายนะสอนง่ายนะคนมีปัจศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยสอนง่ายแนะนาให้เข้าใจง่าย ส่วนพวกไม่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยโอ้โแนะนํำยังไงมันก็ไม่ยอมเข้าใจะนะสัตว์บางพวกก็เป็นพัพสัตว์อาภัพสัตวเนี่ยนะพัพสัตว์เพราะอัตถาว่าเป็นคือเกิดในอริยะชาติหมายถึงว่าพอจะบรรลุได้นะคือยังไงเขาจะบรรลุได้นี่เรียกว่าพัพสัตวเพราะฉะนั้นชื่อว่าพัพสัตเพราะอัตถาว่าจักเป็นหรือจากเกิดความว่าเป็นภาชนะสัตว์เหล่าใดเป็นผู้สมสมควร คือถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งการแทงตลอดอริยมรรสสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าพัพสัตวคือบรรลุได้นะสอนฟังธรรมแล้วก็เขาบรรลุอริยศาสตร์ได้เรียกว่าพัพสัตว์ส่วนมาสอนยังไงก็ไม่บรรลุพวกนี้เป็นอาภัพพวกอาภัพนะเหมือนกับคนไทยเรียกาอาภัพอาภัพเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นคําว่าสัตติปชานาติคําว่าสัตต์นะโดยศัพสัตสต์ก็คือผู้คล้องผู้ติด ติดในอะไรติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเลยเรียกว่าสัตว์ น, น, นะนะไม่ว่าในสัตว์โลกเทวโลกมารโลกในพรหมเทวดามนุษย์เนี่ยพระองค์เนี่ยแรแทงตลอดรอบรู้จริตนิสัยอัธยาศัยของสรรพสัตว์โดยประการทั้งปวง น, นะถ้อยคำที่กล่าวไปก็เป็นคำยกย่องพระปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติปัญญามาก น, นะ มีคําอยู่คําหนึ่งที่น่าเอามาคิดที่ว่าพวกที่ปรุงแต่งปัญหาไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางพวกนี้คิดมาไปถึงน่าจะถามปัญหาอย่างงี้ถ้าพระองค์ตอบมาอย่างงี้น่าจะแก้ไปอย่างงั้นถ้าพระองค์ตอบมาอย่างงั้นจะแก้ไปอย่างนี้อย่างนั้นะพวกนี้เรียกว่าคิดวางแผนที่จะสู้รบกับพระพุทธเจ้าทางทางปัญญาว่างั้นเถอะทางทิฐิเนี่ยนะท่านเขาก็ค้นคิดหลักการอะไรเพื่อจะไปสอบสวนนะเพื่อที่จะไปคุยกับพระพุทธเจ้า เพราะถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเห็นวินัยของบัณฑิตเหล่านั้นอย่างนั้นแล้วมีพุทธะประสงค์ว่าจงถามปัญหาที่ตนตรุงแต่งเถิด น, นะบางพวกนี้ก็เปิดโอกาสว่าเช่นนะพวกอาชิตะมานพเป็นต้นนะะท่านเนี่ยประสงค์จะถามปัญหาสิ่งใดคิดอะไรมาก็เอาถามได้หรือแม้กระทั่งพวกสพิยะปริพาชกเป็นต้นอยากถามถามมาเลยเหมกันบางพวกพระองค์ก็ไม่ถามไม่ให้ไม่เปิดโอกาสให้ถามถามอธิบายว่า บัณฑิตเหล่านั้นทูลถามปัญหาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ประทานโอกาสเพื่อให้คนเหล่านั้นถามเลยทรงแสดงธรรมะแก่พวกที่เข้ามาเฝ้าอยู่เหมือนอย่างที่กล่าวว่าบัณฑิตเหล่านั้นปรุงแต่งปัญหาด้วยคิดว่าพวกเราจะเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมทูลถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจากพยากรณ์อย่างนี้แก่พวกเราไซด์พวกเราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมเนไ อย่างเช่นอานะเขาเขามีการวิธีการปรุงแต่งเนี่ยที่จะมาถามปัญหาสอบสวนปัญหาอย่างเช่นอภัยราชกุมารสูตรนะนะในมัชฌิมานิกายเนี่ยอภัยราชกุมารเขาก็ปรุงแต่ ง, ตงปัญหาจะมาถามพระพุทธเจ้าอย่างเช่นหรืออุบาลีอุบาลีวาทสูตรนะนะอุบาลีาราลครหบดีเขาก็แต่งปัญหาจะมาถามพระพุทธเจ้าพราะนั้นเขาคิดว่าเราจะยกวาทะ เขบอกว่าถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจากพระยกรอย่างนี้แก่พวกเราไซสพวกเราก็จะยกวาทะแก่พระพระองค์เสียเรียกว่าปัญหาลักษณะเรียกว่าตอบแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออ ก, กนะตอบยังไงก็ผิด่ะนะอย่างเงี้ยบัณฑิตเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับสับพพะสมณะโคดมชี้ชวนปลุกปลอบบัณฑิตเหล่านั้นด้วยธรรมมีกระถา บัณฑิตเหล่านั้นที่พระสมณะโคดมทรงชี้ชวนปลุกปลอบด้วยธรรมีกถาย่อมไม่ทูลถามปัญหากับพระสมณะโคดมเลยจักยกวาท่าของพระโคดมมาแต่ที่ไหนย่อมเป็นสาวกที่เลื่อมใสต่อพระสมณะโคดมโดยแท้ทีเดียวบางพวกพระองค์ไม่เปิดโอกาสให้ถามแต่พระองค์จะชีแช้แจงชี้แจงชี้แจงแล้วเขาก็เลื่อมใสไปเลยเนี่ยนะถ้าหากจะถามว่าเพราะเหตุไรจึงไม่ทูลถามปัญหาไอ้พวกที่ที่คิดปัญหาไว้แล้วนะ อยากจะมาถามแต่พระองค์ก็ชี้แจงอธิบายจนเข้าใจหมดเขาก็เลิกถามก็ถามว่าทําไมเขาไม่ถามละ่ะแต่ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทลําดับนั้นทรงทราบว่าบัณฑิตเหล่านี้ทําปัญหามีรหัสลี้ลับเป็นเครื่องผูกมัดบัณฑิตเหล่านั้นยังไม่ทันถามเลยพระองค์ก็ทราบว่าในการถามปัญหามีโทษเท่านี้ในการวิสัชนาปัญหาก็มีโทษเท่านี้ ในอัดในบทในอักษรมีโทษเท่านี้และทรงทราบว่าเมื่อจะถามปัญหานี้พึงถามอย่างนี้เมื่อจะวิสัชนาก็พึงวิสัชนาอย่างนี้จึงทรงใส่ปัญหาทั้งหลายที่พวกบัณฑิตนํามาเป็นเครื่องผูกมัดพระองค์เนี่ยว้ในระหว่างธรรมกถาด้วยประการชนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปแล้วก็แทรกแทรกไอ้สิ่งที่เขาคิดมาด้วยอันไอ้สิ่งที่เขาคิดมันดียังไงมันเสียยังไงมันเลวยังไงชี้แจงระหว่งังที่แสดงธรรมนั่นแหละ ทีนี้พวกบัณฑิตเหล่านั้นก็คิดว่าเป็นความประเสริฐของพวกเราหนอที่พวกเราไม่ทูลถามปัญหาเหล่านี้ถ้าพวกเราทูลถามพระสมณะโคดมเนี่ยพึงทําให้พวกเราเนี่ยตั้งตัวไม่ติดซัดทิ้งไปก็พากันดีใจดีแล้วที่ไม่ถามถามมาแย่แน่นะเสียคนแน่ถ้าเราถามปัญหาอันนั้นเหมือนกันอันหนึงธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อแสดงธรรมเนี่ยนะย่อมทรงแผ่พระเมตตาไปยังบริษัทมหาชนย่อมมีจิตเลื่อมใสในพระโทศพล พระองค์ก็จะแผ่เมตตาเจริญเมตตาหวังประโยชน์ความสุขแก่สรรพสัตว์เหล่านั้นนะนะด้วยเมตตาที่พระองค์ทรงแผ่ธรรมดาเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้ที่เลิดด้วยรูปนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิดด้วยรูปสมบูรณ์ด้วยทัศน์มีพระสุรเสียงไพเราะพระชิวหาอ่อนริมพระโอษฐ์นี่ก็สนิทดีตรัสพระธรรมเหมือนรถหะไทยด้วยน้ําอมตะเนี่ยนะพระธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยเหมือนรถด้วยน้ําอมตะ ในการนั้นพวกบัณฑิตผู้มีจิตเลื่อมใสด้วยการแผ่เมตตาเหล่านั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราไม่อาจจับผู้เป็นข้าศึกกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัดธรรมกถาไม่เป็นที่สงสยัยกระถาไม่เป็นโมคะกรถาเป็นเครื่องนำออกจากทุกเห็นปานนี้ก็ไม่ทูลถามปัญหาด้วยความเลื่อมใสของตนนะเพราะพระพ อ, องค์แสดงเมตตมีเมตตา รูปพระองค์ก็ดีเสียงก็เพราะลิ้นก็อ่อนริมฝีปากก็ปิดสนิท ด, ดีธรรมะที่พระองค์สอนก็เป็นไปเพื่ออมตะเนี่ยนะเพราะด้วยจิตเมตตาเป็นต้นเนี่ยทำให้เขาไม่ไม่ถามปัญหาต่อไปคือพระองค์ก็ช่วยให้เขาสําเร็จสมประสงค์แล้วนะเขาก็เลยไม่ถามปัญหาอันนี้ก็เป็นข้อความที่ภาษาริบุตรชื่นชมยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่เกิดขึ้นเพื่อ สงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์เหล่าสรรพัพพสัตจริงๆ